ต่อไปขึ้นในคําว่าเหตุุกกาเนาะขึ้นคําว่าเหตุุกกาอันนีส้สำคัญมากกันในเรื่องของเหตุกกาเนี่ยเหตุุุกกาจิตสิบแปดดวงนะหมายถึงไม่ประกอบด้วยเหตุอเดี๋ยวทำความหมายตรงนี้หน่อยก็คือเหตุกกจิตก็หมายถึงจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุในหลักของที่ท่านขึ้นมาวันนี้ก็คือว่าวกจิตที่ประกฏส่วนมากก็ต้องประกอบด้วย เหตุไม่เหตุบุญก็เหตุบาปว่างั้นเรียกว่ากุศลเหตุอากุศลเหตุนะตรงนั้นน่ะเหตุบาปก็คือกุศลเหตุตั้งแต่แต ah ่โลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุเหตุบุญ <c oughs> หรือกุศลเหตุก็ตั้แ ah oh ก่อโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุรวมก็เหตุหกนั่นแหละแต่จิตที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มีเหตุหรือประกอบด้วยเหตุภาษาในทางด้านของคําสอนก็เรียกเหตุกจิตจิตที่ มีเหตุประกอบกับอเหตุตักจิตจิตที่ไม่มีเหตุประกอบใช่หมเศษตักาจิตเจ็ดสิบอดมีเจดเใช่มอเหตุกจิตมี 18, มสิบดเนี่ยเศตักาจิตก็เจหรือร0อยสาใช่มอเหตุกจิตก็มีส8บอันนี้อันนี้อันนี้ก็เน่ทำไมขึ้นอย่างงั้นล่ะนั่นแหละก็คือรวมเบ็ดเสร็จก็คือเนี่ยอหเหตุตกจิตสบด จิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุมี18ดวงเนาะแบ่งเป็นสามกลุ่มสามจำพวกมีคาถาบอบด้วยเนี่ยคาถาสังหาเขาเนี่ยถามว่าตรงนี้ก็ต้องสัตตากุศลรรปากานิปุญญาปากามิอัถฐา18กิริยาจิตตานิตีนีติอัธารสาอเยตุกาอัธฐรสาแปลว่าสินะามว่าไอ้อกุศล สัตตาสัตตาสัตตกุศลปาการนี้ก็แปลว่าอากุศลนิปากาจิตมีเจ็นะสัตตาแปลว่าเจปุญญาปาการนี้อัฏฐาก็คืออเหตุก า, ากุศลวิบากมี8แล้วก็กิริยาจิตานตีนี้ตีนี้ตีนตนีแปลว่าสเนาะอเยตุกากิริยาสรวมเบ็ดเสร็จก็เป็นอัฐารสกาแปลว่าสิอเหตุการอเยตุการเจมี18ชัดเจนตรงนั้นนะทีนี้ในอเตุกาจิต18เนี่ย ก็มี3มกลุ่มดังที่ได้กล่าวไว้แล้วอกุศลวิปากจิต7ดวงอเอเฮตุกะกุศลวิปากจิต8แล้วก็อเอเฮตุกะกริยาจิต3อกุศลวิปากจิตเนี่ยไม่มีคําว่าอาเหตุ ก, ะ, ออตก ะ, ะกุศลหรือเอเฮตุกะอกุศลเนี่ยไม่มีคําว่าส่วนอเหตุกะกุศลวิบาก8มีคําว่าเหตุกะเป็นต้นด้วยเดิมเป็ขยายอีกที อากุศลวิปากะจิตเจเป็นจิตที่เป็นผลของอากุศลกรรมก็แปลว่าเป็นผลของอากุศละจิต12ใช่ไหมจากผูวิญญาณโสตวิญญาณคณวิญญาณชิวาวิญญาณกายยวิญญาณสัมปติชนะสันติระณะใช่ไหมกี่ดวงเนี่ยอากุศลนือากุศลจากวิญญาณหนึ่งกุศลอกุศลจากวิญญาณโสตวิากุศลโสตวิญญาณอกุศลคณะวิญญาณไล่ไปตามลดับนไปจนถึงสัมปติชนะ แล้วก็สันติแรงนะใช่ั้ยก็รวมเบดเสร็จก็เป็นเป็นตลาดเป็นเจ็ดนะเป็นเจ็ดเป็นเจดส่วนในเจ็ดวงเนี่ยมีการเห็นการได้ยินการได้ ก, กลิ่นการริมรสการสัมผัสการรับและการพิจารณาลมที่ไม่ดีต่างๆอันนี้แต่เป็นผลนะเนี่ยนอันนี้เป็นผลข้ อ, อกุปสนเข้าใจคาว่าเป็นผลข้ออุศสนไห กรรมที่ทําไว้ด้วยปานาติบาตอธินนาทานทั้งหลายเบนเตอร์เหล่านี้กรรมที่ทําจากการฆ่าการลักการวิพิดในการพูดเทศส่อเสียดคําหยาบและเพื่อเจอเนี่ยกรรมที่ทําด้วยมโนทุจริตมีอวิชชาพยาบาทมิฉาทิฐิกรรมเหล่านี้เวลาให้ผลเข้าให้ผลในปฏิสนธิในประวัติการนะทำให้เราได้เห็นที่ไม่ดีได้กลิ่นที่ไม่ดีลิมรสที่ไม่ดีสัมผัสที่ไม่ดีรับอารมณ์ที่ไม่ดีนะแล้วก็ไตรสวนอารมณ์ที่ไม่ดี มันก็จะให้ผลเราตลอดอย่างเช่นเราเดินเดินไปเนี่ยบางทีคนอื่นเขาไม่ให้ผลมันให้ผลเรานะสมุนเว่าเนี่ ย, ยอ่อานไนเดินนําหน้าแต่แฮมเดินตามหลังเนี่ยแต่ไนเนี่ยกุศลให้ผลไนก็เห็นแต่สิ่งที่ดีๆไปเรื่อยเลยแต่พอแฮมเดินตามหลังไปแฮมไปเห็นอุจจาระแต่ไนไม่เห็นเลยอู้อะไรเงี้ยนะเห็นไหมเนี่ย นายเดินไปเหมือนกันแต่ไม่เห็นแต่แต่หนูเดินตามหลังไปหนูไปเห็นดูสิเนี่ยเวลามลไม่ให้ผลไม่ให้ผลอ่าเหมือนกันนายเดินเดินปเดินไปเสร็จปุ๊บถ้ากรรมของนายจะส่งผลใช่ไหมนายเดินเดินเดินเหยียบหนามปุ๊บก็ให้แต่หนูไม่เหยียบเงี้ยดูสิการให้ผลมันจะมันให้ผลต่างกันอย่างเงี้ยในวันหนึ่งหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยเรานอนนอนอยู่เนี่ยนะเออนอนอยู่ด้วยกันนี่แหละอีกคนนึงมดกัดนะอีกคนหนึ่งไม่กัดอะไรเงี้ยนะ มันจะให้ผลต่างกันนะทิ้งผลรับเห็นดีเห็นไม่ดีได้ยินดีกลิ่นไม่ดีทั้งหลา ย, ยอันนี้ขนาดในโลกมนุษย์มันก็ต่างกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าต่างกันสุดๆเลยก็คือไปเกิดในไบโอพุมเนี่ยนะอย่างนี้เป็นต้นเอาส่วนอเหตุกากาคุศลทีบาด8เป็นจิตที่เป็นผลของกุศุลกรรมนะอันนี้หมายถึงฝ่ายดีทั้งหลายเลยเนี่ยที่ทำกรรมทำคุศุลกรรมมาในอดีตก็ได้เห็นดีได้ยินดีเป็นต้นเนี่ยในปัจจุบันนัพบเนี่ยนะ ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นในทางที่ดีอันนี้อันนี้เดี๋ยวดูรายละเอียดตรงนี้ก่อนอันนี้เกี่ยวนี่เราก็เหตุกกะต่อไปกริยาเนาะกริยา3เป็นจิตที่ไม่ได้เป็นผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมเล ย, รรรมเลยไม่เป็นและไม่ใช่เป็นกุศลจิตอกุศลจิตแต่เป็นจิตที่ทางานตามหน้าที่ของตัวเองก็เลยเป็นกริยานะเป็นกริยาที่อารมณ์หรือเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเฉพาะหนะ้าทั้งหลายเราเนี้ยเขาก็มาทํากิตของตัวเองให้เกิดขึ้นเท่านั้นเอง พอจะมองเห็นนะตรงเนี้ยนะเดี๋ยวขยายรายละเอียดแต่เนี้ยในคัมพีนี้ขยายรายละเอียดอย่างนี้ไอเหตุทุกกาเจแนะแต่เนี้จะไปขยายและขยายเจาะลึกนะเธอนี้นะอาจจะลึกรายละเอียดนิดนึงถ้าขึ้นภาพของขึ้นภาพวิถีได้จะดีนะนายขึ้นภาพวิถีจิตอเหตุกาเจ็ดสิบแปดได้ไในเนี้ย เ, เอาภาพอาเหตุุกาเจิบแปมา ในบรรดา1 8ดวงเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงกระบวนการการเกิดขึ้นของวิถีจิตหรือเอาจากขุทวารละวิถีเกิดขึ้นให้ดูหน่อยก็ได้นะประกอบมีไหมจากขุทวาระวิถีเป็นยังไงในวิถีจิตเกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าอ๋อเวลาเขาทำหน้าที่เขาเป็นอย่างไรอย่างี้เป็นต้นดูพวกจากขุทวาระวิถีวิถีที่ทาหน้าที่เห็นเป็นต้ น, นเนี่ยนะในปัญจทวารวิถีเนี่ยถ้า ถ้าดูตรงนี้ได้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำให้เราเห็นภาพอะไรต่างๆได้ชัดเจนขึ้นไม่มีจะไม่มีวิธีอ่ากุศลไม่มีเนี่ยไปดูปริเฉทที่สี่ก็ได้เราสามารถไปดูในปริเฉทที่สี่เลยแล้วก็ดูภาพวิถีจิตนะที่ในปัญจทวารวิถีดูจากกุระวิถีเป็นต้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพของวิถีจิตเกิดขึ้น เาเวลาเราเรียนรู้ตรงนี้ถ้าจะให้ความเข้าใจหรือไม่เข้าใจทั้งหลายเหล่านี้เวลาเรียนอเหตุการจิตนต้องไปเรียนวิธีจิตถ้าเรียนวิถีจิตแล้วจะเกิดทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นไม่มีเลยปริเชนที่สี่มีไหมอ่ปัญจทวารวิถีเลยดูยปัญจทวารวิถีอ่านั่นแหละปัญจทวารวิีอวาราจิตของปัญจทวารวิธียังไงหนูเออเนี ดูภาพก็ได้น่ะภาพภาพเนี่ยนี่เนี่ยภาพอติมหานตารมวิถีอ่ะนะเนี่ยภาพไงถ้าเขียนภาพไงแม่ภาพอติมานตารมวิถีกามวิถีนั่นเองน่ะ่นอันแรกเลยอันแรกเลยอันแรกเออน่ยนั่นแหละนั่นแหละนั่นนั่นแหละนั่นแหละ ไม่ไวเลยโอ้จะได้ดูวิถีจิตโอเคโอเคนี่เห็นนีมนี่นั่นแหละนั่นแหละดูภาพปฏิมาันตารมวิถีนะโอเคแล้วตรงนั้นอ่ะดูตรงนั้นแหละวิถีที่เกิดขึ้นทางปัญจทวาร ทางปัญจทวารอย่าที่เขาเขียนเป็นอตีแต่พวังเขาไว้เห็นนะอตีแต่พวังเขาจะเขียนตัวถ้าเป็นภาษานะเขาเขียนพอสัาเภาแทนไว้เนะีเป็นอัอนอกษรย่อเอเอไม่ใช่ตัวตี ต, ตอเต่าสระีนะตีแต่พวังถ้าเป็นพวังธรรมดาเขียนพอสําเภาได้แก่การมาปฏิสนธิจิตสิบดวงนะรู้จักคําว่าการมาปฏิสนธิจิตสิบดวงไหมอุเบกขาสันติรนาสองกับมหาวิบาก8ดนั่นแหละ องธรรมเขาได้แก่ตรงนั้นเริ่มตามไปดูนะนั่นแหละนั่นนะดูภาพวิถีจิตไปด้วยเนาะสามารถทําขึ้นซ้อนไม่ได้เนาะน อ, นอ่าเรา<ๆ>เรา<ๆ>เราดูาจิตดูภาพจิตไปด้วยก็ไม่ได้นะ <c oughs> นั่นแหละในกรณีแห่งคําว่าอาตีแตะพะวังพวังขจรนะพะวังคูปเฉทะปัญจทวาราวชนะเนี่ย แล้วก็เป็นจักขูวิญญาณโตะวิญญาณก็ไล่ไปตามลำดับเนาะไล่ไปตามลำดับตรงนี้เราเขาจะมาตามดูในเรื่องของการทำหน้าที่ของเนี่ยวิถีจิตอ่ะดูก่อนตรงเนี้ยดูจักคขูวิญญาณตรงนี้ก่อนก็ได้าจาักรขูวิญญาณจิต ท, ที่รู้อารมณ์ทางตาเนีย่ยเมื่อกี้นะอ่ะดูตรงนั้นก่อนก็ได้ ด, ดูดูตรงนี้ดูดดูตรงนี้แค่ประกอบแค่นี้ก่อนพอเนี้ยนะนั่นแหละนะสังเกตดูน า, าตีแต่พวังอันนั้นแปลแปลว่าพ้นวิถีพ้นจาวิถีแล้วกามะกามะปฏิสนธิสิดวงก็ยังได้ได้กล่าวไว่าเบิขาสันติได้2นสหมายบากแปพวังกัจลันะเหมือนกันนะมันหมายถึงพวังไหวเวลามันมีอารมณ์ผ่านเข้ามาเนี่ยผ่านเข้ามาในวิถีจิตเนี่ยนะเช่นจักขุทวานเนี่ยนะ เออจากคูวิญญาณเงี้ยนะเออข อ, ขอใครเช่นรูปอารมณ์ผ่านเข้ามาเนี่ยปรเอิญตรงนี้มันอธิบายค่อนข้างยากนิดนึงนะคําว่ายากในนี้พวกเราเนี่ยจะเข้าใจยากคืออธิตะพาวางังพาวาังก็จะรนะพาวังคุปเฉทธาตนะุแปลว่าตัดกระแสะวางปัญจทวารวัชนาในตัวพิจรารณาอารมณ์ทางปัญจทวารเนาะเนี่ยตัวนี้อาวชนะอารมณ์แล้วปัญจวิญญาณตรงนั้นนะ่ะ มันหมายถึงจากคุวิญญาณสอโซตาวิญญาณ2อคณวิญญาณ2ชิวหาวิญญาณกายยะวิญญาณเนะี่ยเนี่ยเป็น10ดวงพอดีใช่ไหมสัมปติชนะก็มี2องสุสีระ3บวธรรมนาคือการตัดสินอารมณ์1แล้วขึ้นสู่โชนะโชนะนั้นก็ใส่กาม่โชนะ29อกุศล12หาสิตุ ป, ปาทจิต1มหากุศล8นมหากริยาจิต8แล้วก็ลงตัารมน์ได้สองขณะจิตขณะตัารมน์11นี่นะแนววิธีจิตมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ แต่เวลาเกิดจริงๆมันจะเกิดทีละขณะทีละดวงเนาะอย่างยกตัวอย่างการเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะวิถีจิตมันจะวิ่งขึ้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเงี้ยมันจะเกิดทาหน้าที่ของมันเป็นก็จะจิตอนิยามความเป็นไปของจิตซึ่งพวกเราไม่รู้ตัวเองเลยแต่มันก็เป็นของมันอยู่อย่างเงี้ยจะมีอติปรวังผอ ง, งกัจระนวังคู่ปเฉทาปัญจทวารปัญชนะปัญจาวิญ ญ, ญาณสัมปติชนะสติรนะนาวเทวนาชาว น, นาเจขณะหนึ่งสองสามสีหเจ็ตาตารมนาสองขณะแล้วก็ลงผวังไป เน่จิตเหล่านี้ก็จะทําหน้าที่ไปเนี่ยเนี่ยเป็นพวางหน้าพวางหลังก็ว่าไปก่อนเนี่ยขาเรียกจิตที่พ้นจากวิถีให้สังเกตดูเวลานับวิถีสิสังเกตดูน ะ, ะสนนมมาเนนแหมดูเขานับวิถีตั้งแต่ไหนตั้งแต่ปัญจทวารราชชนะใช่ไหมในดวงที่4ี่อ่ะในะตั้งแต่ดวงที่สี่ไล่มาเลยไล่มาปัญจทวารราวชนะนะขึ้นสู่วิถีจิตตั้งแต่นั้นแหละไล่มาจนถึงตถาธรามนะ ดวงที่17บนี่เลยไล่มาเลยนั่นแหละเขาเรียกวิถีจิตทั้งหมดเลยนอกนั้นเป็นก่อนก่อนหน้าวิถีจิตเกิดหรือหลังจากนั้นไปเขาเรียกว่าผวังหน้าและผวังหลังผวังที่เกิดขึ้นหน้าหาที่พ้นวิถีจิตทั้งหลายเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้ขึ้นสู่วิถีจิตยังไม่ได้มีการรับรู้อะไรเลยเป็นจิตที่มีอารมณ์ในอดีตภพบพวกเราไม่เคยรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ที่รับมาจากพบก่อนเมื่อใกล้จะตายเป็นอารมณ์มันมีอยู่ นั่นแหละอารมณ์เหล่านั้นฝังอยู่ในวิถีจิตของเรานี่แหละแต่เราไม่เคยรู้ตัวเราเองเลยนะว่ามาพบที่แล้วใกล้าตายเนี่ยเรารับอะไรมาเน้นแทมอาจจะรับาาการให้ทานมาการรักษาศีลมาเนี่ยแต่ก็สังเกตได้ตามอัธยาศัยเออเป็นคนมีอัธยาศัยอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละอัธยาศัยเดิมๆ ม, มันยังฝังติดแน่นเรามาอยู่เนี่ยน่ยสิ่งดีๆทั้งหลายที่เราเรารับอารมณ์มาเนี่ยเราอาจจะ รับรูปเป็นอารมณ์มาเสียงเป็นอารมณ์กลิ่นลิ้มรสหรือสัมผัสอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกกรรมะอารมณ์บ้างกร ม, มนิมิตบ้างคตินิมิตอารมณ์บ้า ง, ามมางที่รับมาเกาะจากพวก่อนเมื่อใกล้จะตายเนี่ยในหลัจิตพรรมม้นวิถีรับแล้วเวลาขึ้นสู่วิถีปุ๊บไอ้ผวางเหล่านั้นก็ดับหายไปเนี่ยแล้วก็รับขึ้นสู่วิถีไปพอหลังจากสุดวิถีปุ๊บผวังก็เกิดต่ออีกก็มีอารมณ์เก่าอีกพอมองเห็นไหมย่เงี้ยมันจะเป็นอย่างงี้นะ เออมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แหละทีนี้มันจะมีว่าจักขูวิญญาณโสตาวิญญาณคานาโดยปัญจวิญญาณห้านะจักขูวิญญาณจิตนะมันจะมีอย่างละหนึ่งละหนึ่งเวลาล่าจริงอ่ะจักขูวิญญาณโซตาวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณสัมปติชนะเสติยนามันจะมาอย่างละหนึ่งเวลาเกิดขึ้นจริงๆทั้งดีและไม่ดีจะเป็นแบบนี้อ้าวคำว่าผวังผวังแปลว่าอะไรเขาแปลว่าองค์แห่งภพ ไอ้ผวังเนี่ยผวังฆ่ะตัวนี้เขแปลว่าองค์แห่งพบเฮ้ยเธแปลงยิ่งงงไหมก็ผวังก็จิตเนี่ยตัวไม่เป็นไรจะอธิบายไปก็แล้วกันคําว่าผวังเนี่ยรักษาพบก็ได้รักษาองค์แห่งพบก็ได้ก็แปลว่าถ้ายังมีผวังดําเนินไปอยู่ตราบใดแปลว่ายังไม่ตายอะ่ะแปลว่ายังไม่ตา ย, า ย, ตายก็จะรักษากระแสของ ขันกระแสะของรูปไปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ให้มันไม่ให้มันจุดตินั้นถ้าผวังมันแปลเปลี่ยนไปเมื่อไรกลายเป็นจุดติเมื่อไหรก็แปลว่าคนนั้นตายเนี่ยเขาเรียกองส่วนอตีตาผวังอ่ะเห็นไหมอตีตาผวังอ่ะอันนั้นก็แปลว่าอดีตผวังผวังที่ผ่านไปคําว่าผวังที่ผ่านไปเนี่ยก็หมายความว่าอารมณ์นั้นเนี่ย ผ่านไปแล้วรูบารม์นั้นผ่านไปแล้วก็เรียกอดีตพวังนี้เป็นต้นแต่ยังไม่กระทบกับจักรคุปสตัตยังไม่ประคบยังไม่กระทบกับทวารส่วนพระวังก็เจรณะก็แปลพวังไหวเพราะเไม่ได้ขึ้นดูวิถีต้องขึ้นดูวิถีถึงจะรู้นะต้องดูวิถีอ oh, ๋ออันนี้ออก็ฮะก็นี่งไองอหตุกาเลยเนี่ย ออธิบายเหตุกาเดี๋ยวนี้ไปอธิบายคร่าวๆไปก็แล้วกันเดี๋ยวคำว่าวิถีก่อนก็หมายการเกิดขึ้นเป็นลําดับติดต่อกันเป็นแถวเป็นแนวของจิตเจรสิกรูปคือวิถีเนี่ยก็แปลว่ากนะารเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นแถวเป็นแนวของจิตเจรสิกรูปก็ได้วิถีเข้าใจนะการเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นไปตามลําดับเนี่ยก็เรียกวิถีแล้วรูปอารมณ์ก็คือภาพเกิดขึ้นเป็นอารมณ์รวมไปแล้วหนึ่งขณะ เออวลาพูดถึงในเรื่องของไอเหตุการ์เนี่ยมันจะไปเกี่ยวพันกับตรงเนี้ยเกี่ยวพันว่าเราจะต้องเข้าใจอะไระเอาไปดูหลักหลักของอาจารย์อาจารย์แนบก่อนเถอะนะกลับเข้าไปดูใหม่ดูหลักของมูลีที่อาจารย์แนบดูไปดูเหตุการจิตเลยในบริเขตหนึ่งต่อแล้วนี่ใช่ไหมอ้าวไลน์มาตามแบบนี้อันนี้อธิบายไปแล้วใช่ไหมเอ้อย่างนี่ เ <dad. S 1> ออเนี่ยอ้าโอเคก็มีอเหตุกะนะทําความเข้าใจอะไล่ไล่ไปเนี่ยอธิบายแล้วทีนี้ข้อไอ้ตรงเนี้ยก็ทําความเข้าใจว่าอเหตุกะนะอเหตุกะก็มีทั้งไอกุศลยุปากจิตเจ็ดเป็นเจ็ดที่เป็นผลของกุศลกรรมนี่ชัดแล้วนะอเหตุกะกุศลยุปรากแปดอันนี้ก็เป็นผลของกุศลกรรมนะถ้า อันนี้เป็นผลของแต่ละประเภทของอกุศลกรรมและกุศลกรรมไม่ไม่ปนกันส่วนถ้ามองตัวส่วนผลของส่วนผลของกุศลกรรมนั้นน่ะถ้ากุศลกรรมมีกำลังมากก็ให้ผลเป็นสเหตุุกะที่มีกุศละเหตุเข้าประกอบได้แก่อโลภาอโทสาโมหะที่สำยุดด้วยแต่ถ้ากุศลกรรมนั้นมีกำลังในการให้ผลน้อย เพากุศลนั้นมีอกุศลเป็นบริวารก็จะให้ผลเป็นอเหตุกะว่างั้นโดยตรงนี้คืออย่างนี้ที่เขาจะพยายามสื่อตรงเนี้ยถามว่าเวลาผลในอเหตุกะเนี่ยมันเป็นผลยังไงเนี่ยการอธิบายอย่างเนี้ยนะเช่นในอเหตุกะจิตมีอกุศลวิปากจิตเจ็ดกับอเหตุกะกุศลวิปากวิปากจิตแปดใช่ไหมในสองส่วนเนี่ย อกุศลวิปากจิตเจดเนี่ยเป็นผลก็อกุศลนั้นชัดไปแล้วนะอกุศลกรรมนั่นเองส่วนกุศลวิปากจิตเจ็เนี่ยเอ่ออาเหตุกาากุศลวิปลากจิตแปดนี้เป็นผลของกุศลกรรมเวลาเราไปทํากรรมที่เกี่ยวกับการได้จะได้เห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นทั้งหลายเหล่านี้ยตัวอากุศลเหตุกากุศลวิปากรแปดก็จะก็จะเกิดมาทําหน้าที่ในขณะเห็นขณะได้ยินขณะได้กลิ่นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้ ตรงนี้เมื่อกี้เขาพยายามจะสื่อให้เราได้เข้าใจว่าถ้าผลของอกุศลกับผลขอ ง, ง, ก, ง, ง, ของอกุศลมันต่างกันยังไงผลของกุศลอกุศลมันต่างกันยังไงอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอารมณ์นะอารมณ์ที่ทําให้เราได้เห็นได้ยินได้กลิน่นริมรสทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยอกุศลวิบากเนี่ยกพอไปถึงวิบากที่เป็นผลของอกุศลกรรม มีการเห็นการได้ยินส่วนอเหตุกการกุศลอยบากเกียก็หมายความว่าวิบากที่เกิดจากมาหากุศลกรรม8แต่เห็นได้ยินเป็นต้นใช่ไหมอหตยะุกกิริยาหมายถึงอะไรจิตที่เกิดขึ้นโดยลำพังไม่ได้อาศัยกรรมดีกรรมชั่วแต่อย่างใดเป็นจิตที่สัตว์แต่ว่ากระทำของตนเองและเป็นอเหตยะุกะนี่เขา้าใจงี้นะอเหตุกกจิตหมายถึงจิตที่ไม่มีเหตุหประกอบโลภะโทสะโมหะอาโลภะโทสะโมหะเข้าใจตรงกันตรงนี้นะ ไม่เข้าใจเลยเนี่ก็เหตุมีหกไงเหตุก็โลภาเหตุโทสาเหตุโมหะเหตุอรโลภาเหตุอาโทสาเหตุอรโมหาเหตุก็แค่นี้เองคำว่าเหตุุกาจิตก็แปลว่าจิตที่ไม pues ่ม cool ีเหตุหกนี้ประกอบแค่นี้เองไม่เข้าใจเลยก็ไม่มีเหตุหกประกอบที่ชื่อว่าเหตุตุเนี่ยเพราะอะไรเป็น เทศก็แปลเป็นมูลหมายถึงเป็นมูลในที่เนี้ยหมายถึงเทหกโลภะโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะถ้าจิตที่ชื่อว่าสเหตุกุกกาก็แปลว่าจิตที่มีเหตุหกประกอบเอาตรงนี้อกุศลละจิตสองนี่เป็นเหตุกกาหรือเป็นสเหตุกกเป็นส่เหตุกุกกาเพราะอะไร พ่อมีโลพาเหตุโทสาเหตุโมหาเหตุประกอบแล้วกลุมมหากุศลจิตแปดมหาวิบากแปดมหากิริยาจิตแปดพวกรูปาสิบห้ารูปาสิบสองโรกุตระจิตแปดหรือสีสิบอันนี้เป็นอเหายตุกะหรือเป็นสะเหตุตุกะเป็นสะเหตุตุกะเห็นไหมพ่อมีเหตุสามคืออโลภาเหตุอโทสาเหตุโมหาเหตุประกอบส่วนอหายตุกะจิตสิบแปดเรียกว่า สิแปดวงตรงนั้นน่ะเขาเรียกอเหตุตักจิตเขาแปลว่าอะไรก็แค่นี้เองไม่มีเหตุหกนี้ประกอบเราจะไปเข้าใจเหตุอย่างอื่นซิให้เข้าใจว่าไม่มีโลพาเหตุประกอบไม่มีโทสาเหตุประกอบไม่มีโมหาโลพาเหตุได้แก่อะไรไม่ใช่ก็คือโลพาเจตสิกชัดลงไปงั้นเลยไม่มีโลพาเจตสิกประกอบโทสาเหตุก็คือไม่มีโทสาเจตสิกประกอบโมหาเหตุก็คือไม่มีโมหะเจตสิกประกอบ ไม่ใช่โทษาเจตสิกเนี่ยเป็นโทษาเหตุมันไม่ประกอบในเหตุกขจิตจึงเรียกว่าเหตุกขจิตไม่มีอกุศลเหตุประกอบใช่ัยไหมแต่ไม่ใช่ก็คือจริงๆก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่า <c oughs> ถามว่าโลภะเจตสิกก็เป็นโลภะเหตุโทสาเจตสิกก็คือลบโทษาเหตุโมหะเจตสิกก็คือโมหะเหตุอโลภะเจตสิกก็คืออโลภะเหตุ อัตโทศาสจิตกก็คืออโทสาเหตุอามโมหาจิตก็คืออาโมาเหตุก็คือปัญญาก็แค่นี้เองสิบแปดวงไม่มีเหตุหกประกอบไม่เห็นจะ เ, เข้าใจ ย, ยากอะไรเลยตรงเนี้ยเข้าใจง่ายนิดเดียวเองอยา่างไปติดทำไมต้องตามทันทีเลยใช่ไหมเนี่ยก็เรียกไม่มีเหตุหกประกอบนนเอาแล้วแต่นี้เห็นไหมทำทั้งหลายย่อมไหลทีนี้จะบอกว่าที่เขาบอกว่า จิตที่ชื่อว่าสเสหตุกาจิตเนี่ยเพราะอาเหตุตุกจิตนะถ้าชื่อสาเหตุตุกจิตพ่อมีเหตุถกประกอบถ้าชื่อว่าอ่ะเหตุตุกจิตก็แปลว่าไม่มีเหตุถกประกอบหลักการมีแค่นี้เองเออในคําสอนท่านเคยได้ยินไหมว่าทําทั้งหลายหลามาติเหตุเนี่ยแล้วทําไมาเหตุตุกจิตจึงชื่อว่าไม่มีเหตุอ่ะท่านจะตอบก็ว่าไงไม่ใช่ ทำทั้งหลายเนี่ยไหลามาแต่เหตุหรือมีเหตุเป็นแดนเกิดแล้วเหตุตุกจิตสิบปดวงนี่ก็เหมือนกันแต่เหตุที่ทำให้อาเหตุตุกจิตนี่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่มันเป็นมันมันมาจากเหตุนะไม่ใช่ไปมาเช่นอกุสรวิบากเจ็บเนี่ยมีอะไรไม่เหตุเป็นผลของใครเป็นผลของอักุุลกรรมสิบสองใช่ไหมล่ะ อเหตุกกุศลกกากจิต8ก็เป็นผลของกุศลกรรม8ปดใช่ไหมมีการงดเว้นจากปาณปฏิบัติเป็นต้นมันคนละเรื่องกันในที่นี้คําว่าเหตุตุกจิตแปลว่านับออกแค่เหตุหกไม่ใช่เอาเหตุทั้งหลายแต่อเหตุตุกจิตเนี่ยก็เป็นธรรมะที่มีเหตุต้องไหลมาแต่เหตุทั้งหมดเขาเชื่ออเหตุตุกจิตในที่นี้เพื่อต้องการชี้เห็นว่าไม่ได้มีเหตุหกประกอบเท่านั้น แต่ไม่ได้อย่าพึงกล่าวว่าไอ้ลูกจิตเป็นธรรมที่จะไม่ไหลามาแต่เหตุหรือจะไม่ใช่เป็นผลของไม่มีเหตุเป็นแดนเกิดใช่ไหมเพราะธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดอยู่แล้วเข้าใจตรงกันตรงนี้ชัดไหมท่านต้องตั้งใจฟังดีๆนะปัจจัยที่ก่อให้เกิดจากขิญยาณมีไหมจากขรญยาณเนี่ยจากขรานเนี่ ย, ญญน เ, นยเป็นเหตุกจิตไหมเป็นไหม จากคุญยาในจิตสท่นานจะมีมัวไล่ไล่ไล่ไลตัวนะั้นท่านดูต้อ ง, ต, องต้องตามก่อนว่าจากคุยยาในจิตสองเนี่ยถามว่ามีปัจจัยไหมเขาจะเกิดขึ้นโดยลอยๆได้ไหมแต่เขาไม่มีเหตุประกอบเท่านั้นเองเรียกเหตุตักัจิตก็จริงแต่ไปดูเหตุเขาหน่อยเขาเกิดด้วยหนึ่งจากคุประส萨ตคือมีตาดีจำฮะ รูปอารมณ์มีวัตถุสิ่งของที่แลเห็นได้มาปรากฏเฉพาะหน้าสามอโลกะมีแสงสว่างสี่มนสิกาละก็คือมีความตั้งใจในเหตุสีประการเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้อะไรเกิดเออจากขรญญาณเกิดเนี่ยเริ่มเห็นอย่างเริ่มเข้าใจอย่างในนี้เขาไม่ได้ขยายไว้ทีเนี่ยอาจจะจะขยายไว้นะเนี่ยปัจจัยที่ทาให การเห็นเกิดขึ้นมาได้ฉะนั้นจากควิญญาณเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องมีเหตุปัจจัยไม่ใช่ไม่มีปัจจัยที่ทําให้โสตะวิญญาณเกิดขึ้นมานะหนึ่งโสตประสาทต้องมีประสาทหูดีไหมต้องมีประสาทหูดีสองศัตรูลมมีเสียงมาปรากฏนะมาปรากฏเสียงมาปรากฏ สก็คือมีอากาศอากาศก็คือมีช่องว่างถ้าไม่มีช่องว่างมันจะสามารถเข้าไปได้ยินไดงไง4ี่มนุิยการก็คือมีความตั้งใจเนี้ยไอตรงนี้ก็คือปัจจัยที่ทําให้สซตะวิญญาณเกิดประการต่อมาปัจจัยที่ทําให้เกิดคานวิญญาณนะหคานาประสาทก็มีประสาทจมูกดี2มีคันธารลมมีกลิ่นมาปรากฏเฉพาะหน้า สาวาโยธาตมีล ม, ม, ลมจะอากาศได้ไงต้องลมพัดมาที่มันจะเกิดใช่ไหมสี่มนัสิการมีความตั้งใจตั้งใจที่จะดมเนาะเอาปัจจัยที่เกิดให้เกิดปัจจัยที่ทําให้เกิดชิวหาวิญญาณชิวหาประสาทก็มีต้องประสาทลิ้นดี2อพระสารลมมีอารมณ์มาปรากฏเฉพาะหน้าทหน่ายชิวหาประสาทสาอาโปอาโปมีน้ําน้ําลายหรือน้ําที่อยู่ในวัตถุสิ่งของนั้นนั้น โอต้องมีน้ำด้วยนะต้อ ม, มีมีน้ําไม่ได้สี่ก็มณริการมีความตั้งใจนะฮะเอาปัจจัยที่ทําให้เกิดกายวิญญาณหนึ่งกายประาศาสตรอะไรมีประาศาทตรกายดีสองโพธิพรมมีความเย็นความร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมาปรากฏเฉพาะหน้ามีธาตุธาตุอะไรบ้างเนี่ยมีธาตุเย็นกับร้อนนี่ธาตุอะไรธาตุไฟ หย่อนตึงแข็งอ่อนหนักเบาธาตุอะไรนี่ธาตุดินธาตุดินอพยุงผักดันหย่อนหรือตึงนี่เป็นธาตุอะไรธาตุลมธาตุลมนี <c> ่ <oughs> ต้องมีวายโยธาต์นะถ้าไม่มีหย่อนมีตึงทั้งหลายไ ม, ม่รู้สึกนะเย็นเย็นร้อนร้อ น, อ น, อนหนัก ห, กหกเบาเบาทั้งหลายแข็งแขงอ่อนออนงพวกนี้นี่โพธิพรม์แล้วแล้วมีอะไรอีกสามธาตทธาตุธาตแปลตามสาวเขาแปลว่า มีปัทวีธาที่มีลักษณะแข็งถ้าไม่มีความแข็งมากระทบกายแล้วจะรู้สึกไหมยังไงก็ต้องมีแข็งลมก็ต้องแข็งมีดินเนี่ยมาราชการคือความตั้งใจสรุปแล้วก็คือว่าจิตทั้ง10ดวงที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็เรียกทวี ป, ปัญจาญายานะจิต10เนี่ยก็จะต้องมีเหตุปัจจัยแบบนีเ้เริ่มเข้าใจนะไอ้พวกนี้จริงๆต้องทําความเข้าใจไหมถึงจะรู้เวลาประเด็นวิถีจิตเขาจะเรื่องอธิบายพวกนี้ให้เห็นรายละเอียดทั้งทั้งหมด อันนี้เริ่มเห็นชัดขึ้นนิดนึงอ้ปัจจัยที่ทำให้เกิดมโนท่าสามมโนท่าสามมีอะไรปัญจทวารวชนะปัญจทวานปัญจทวารวชนะปัจจัยที่ทำให้มโนท่าสามเกิดปัญจทวารปัญจทวานก็คือมีจักขุป萨ตโ ส, าาสาต菩萨มีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายที่ดีนะแล้วก็มีปัญจรมนะ รูปารม์ัทธารม์กันธารม์และสารลมโพธิารมมาสู่ครองกงปราศาสตร์แล้วก็ต้องมีอะไรอีกมีหาทายวัตถุอันเป็นที่อาศัยของเกิดของจิตแล้วก็มีมนติตการคือความตั้งใจในปัญจทวารอยู่ตรงไหนยังหาไมเจอเลยเนอะในตัวไหนปัญจทวารเรชนะจิตอยู่ไหนฮะอยู่ไหนตรงไหนปัญจทวารอยู่ไหนไม่มีอะไรหรอ สัมปติชนะสันติแล้วนะเอาไปดูบัญจัทวาดูไอเหตุการนู้นเข้าไปไอเหตุการมีไหมเออเนี่ยเลยเลยมาแล้วเลยนะเนี่ยเหตุไม่มีเลยว่ะไล่ไล่ลล ล, ล, ล, ล, ลขึ้นไปไม่ใช่เราอธิบายเลยไปแล้วเลยไปแล้วเดี๋ยวนี้ค่อยอธิบายทีหลังนี่ลังไล่ของคำว่า อเฮตุกะอยู่เลยอเฮตุกะสามดวงอะ่ะปันจัตถาวรราชนะมโนทวารราชนะนาาชนะแล้วหัสสีตุพพริตเน่แต่ยังไมไ่ได้ท่องมากันวะ oh. เอา้าละเอา้เอาไล่ลงไปการลองไล่ไปเออนี่ไงเฮตุกะมาแล้วไงนี่ไง เออท่านท่านเปิดตามไม่ทนันมีหมดนั่นแหละนั่นไงเออไล่ไล่มาอีกไล่มาอีกไล่ไม่หยิกคืออ๋อไล่เงินข้ามานี่ยังไงเห็นนี่ยังกิริยาเนี่ยเหตุโอกาสกิริยาเนี่ยปัญจทวารราชนะเห็นนี่ยัง อ, อุเออบกขาสากตังเน่ะปัญจทวารราชนะจิตอมนโนทวารราชชนะจิตหาจิตตุบาสจิตไงอ้าวดู อ, อุเบกขาสากตังปัญจทวารราชชนะจิตตังเนี่ยจิตที่เกิดพร้อมด้วยความ จิตที่เกิดขึ้นจิตที่พิจารณาอารมณ์ทางปัญจทวารที่ดีและไม่ดีเกิดขึ้นพร้อมด้วยความเฉยเฉยจิตดวงนี้เป็นจิตที่ทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์นะที่มากระทบทางทวารทั้ง5้าเช่นถ้าจะเห็นจะได้ยินจะได้กลิ่นจะลิ้มรสจะสัมผัสเนี่ยต้องมีจิตดวงนี้เกิดก่อนก็คือเขาอยู่ด่านหน้าเลยด่านหน้าของปัญจทวารเลยด่านหน้าทางตาเช่นจกักรวญญาจะเกิดได้ต้องอาศัยเขาเขาต้องเป็ น, ป, นประตูเป็นประตูในการเปิดให้เกิด ถ้าโสตวิญญาณจะเกิดข้าววิญญาณชิววิญญาณกายาวิญญาณเนะี่ยจะเกิดขึ้นนะ่ยต้องผ่านเขาเขาจะไปทูกตัวคัดกรองในการที่ทําให้เกิดกุศลเจริญญาอากุศลจจกิุ ญ, ญาทั้งหลายหน้าที่ของเขาแล้วเขา้าใจยังเนี่ยเขาเรียกปัญจทวารราชนะทีนี้ทีนี้ปัญจทวารราชนะเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยต้องอาศัยอะไรจากประสาทตาหูจมูกลิ้นกายที่ดีใช่ไหมต้องมีอารมณ์ไหม ต้องมีรูปอารมณ์มาปรากฏคันธารลมใช่ไหมเออเนี่ยต้องมีอารมณ์จิตที่เกิดพร้อมด้วยความเฉยเฉย่ะเป็นพิจารณาอารมณ์ทางปัญจทวารเนี่ยจิตดวงนี้เป็นจิตที่ทําหน้าที่พิจารณาอารมณ์อารมณ์เท่าไหร่ก็เขียนได้หกใช่ไหมต้องอ่านดู้ที่พิจารณาอารมณ์เท่าไหร่อเอยปัญจทวารพิจารณาแค่อารมห่านะหรือว่าผิดแล้ว เนี่ยเนี่ยไม่ใช่เกิดจงเงีอย่างนี้อาจรย์จิงคือเขาเกิดก่อนจักวิญญาณใช่ั้ยเขาเกิดจากก่อนจักวิญญาณแต่ว่าอาศัยว่ามีรูปารมณ์ใช่ไหม เช่นะเอาตัวจักรุปราศาสตรตัวรูปารมใช่ไหมเมื่อรูปารมนั้นนะ่ะเข้ามาสู่ครองของจักขคุทวารที่ยังไม่ ย, ย, ย, ยังไม่ยังไม่ยังไม่ถึงนะมากระทบกับจักขุปราศาสตร์ปุ๊บพอจักขคูวิญญาณจะเกิดเนี่ยใครต้องเกิดก่อนปัญ จ, ญจทวา a เกิดก่อนมาทนะําหน้าที่พิจารณารูปารมถ้าเป็นรูปารมที่เกิดจากอกุศล เขาก็จะเป็นปัจจัยเกิดกุศลจกคุณญาณถ้ารูปอารมณ์นั้นเกิดจากบุญเกิดจากกุศลเขาก็เป็นปัจจัยเกิดจากคุณญาณที่เป็นกุศลอย่างนี้เป็นต้นแม้แม้แต่โสตวิญญาณคานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายาวิญญาณเขาก็ต้องมาทําหน้าที่เป็นนายทวารในการพิจารณาอารมณ์ก็เริ่มเข้าใจยังเห็นไหมเขาจะต้องมีปัญจทวารใช่ไหม มีจากขูประสาทโซตตะประสาทคณะประสาทที่วไหาประสาทแปลว่าแปลว่าจิตดวงนี้เขามาทําหน้าที่ทางปัญจทวารเขาไม่ได้ทําหน้าที่ทางมโนทวานนะทําหน้าที่ทางทวานตาทวานหูทวานจมูกทวานลิ้นทวานกายแค่นี้เขาไม่ได้ไปทําหน้าที่ทางทวานใจเขาจะมาเป็นนายทวานเป็นด่านคอยกรองว่าจะให้จากวิญญาณเกิดจะให้โซตะวิญญาณเกิดเนี่ย ไอ้ น, นั้นเป็นรูปารมณ์เป็นสัทธารมณ์เป็นคันธารมณเป็นลาสารมเป็นปวดทับรมอย่างใดอย่างหนึ่งและอารมณ์เหล่านั้นเป็นอารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีเเขาก็จะได้เป็นปัจจัยเกิดจากคุณยามเป็นต้นเริ่มเริ่มเขา้าใจชัดขึ้นนะนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าบอกว่าปัจจัยที่ทําให้มโนทําให้เขาเกิดนะปัจจัยที่ทําให้ปัญจทวารวันชนะเกิดก็คืออะไรหนึ่งต้องมีทวารทั้งห้าใช่ไหม จากกุทวานเป็นต้นจนถึงกายธวาลสองต้องมีปัญจารมรูปเสียงกินรสผลเถรภเข้ามาสู่ของประสาทสามต้องมีหาทยาวัตถุแปลว่าอะไรรู้ไหมปัญจทวารวชนะอาศัยจิตอาศัยอะไรเกิดไม่ใช่อาศัยตาเกิดเข้าใสหัวใจเกิดแต่เวลาทำหน้าที่เข้ามาทำหน้าที่ทางทวานตาหูจมูกนิ้งกายมันเหมือนเรา อยู่ที่นี่แต่เราไปเรียนอีกที่หรือไปไปทำงานอีกที่หนึง่งอย่างเงี้ยจิตตรงนี้ก็เหมือนกันความเร็วของเขาเนี่ยเร็วมากเขาใส่หัตถยาวัตถุกเกิดแต่เขาไปทําหน้าที่ทางปัญจัทวารปุ๊บปุ๊ปุ๊บปุเงี่ยเป็นต้นเริ่มเข้าใจนะมีมณฑสการมีความตั้งใจนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ปัจจัยที่ทําให้มโนวิญญาณธาตุเกิดขึ้น เดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งอธิบายตรงนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวพวกเราก็จะเข้าใจสรุปแล้วเหตุตุุุุุุุุุุุุุุุุุุอุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุมุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุทําความเข้าใจแบบไม่ต้องเร็วเกินไปนะอุุชุุุุุุุุุุุุุุุุจิต กุศลวิปากจิตเจ็ดวงรู้แล้วเนาะการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นริมรอดทั้งหลายในะจักรูวิญญาณโสตาวิญญาณคานาวิญญาณจิวหาวิญญาณกายาวิญญาณสัมปติชนะสติระณนะที่ไม่ดีนะเป็นผลของกุศลอันนี้ชัดไหมเป็นผลของปาณปฏิบาตอธินาทานจะเป็นผลของวิชาที่ถี่เป็นต้นนะส่วนอเหตุกากุศลวิปากจิต8นี่เป็นผลของกุศลละก่อมใช่ไหม ได้แก่กุศลกรรมรบท10บงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการวุ่นวาการงดเว้นจากการพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพลยเจอไม่โลภไม่โกรธนะเป็นผลของสมาธิทิศก็เลยทําให้ได้เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสเอ่อที่ดีใช่ไหมทีนี้เอาตรงนี้ถ้าอธิบายเตลิดหน่อยในเนี้ยในในหนังสือเล่มที่ของนายเอาขึ้นจอเนี่ย เขาจะอธิบายตเตลิดไปนิดนึงว่าเอออันนี้กุศลกรรมชนิดที่อ่อนเป็นผลของอเหตุกขากุศลนี่บาปเจ็เนี่ยกับมหาวิบาศกแปดเนี่ยมันต่างกันยังไงมันมาจากกรรมอะไรทําไมถึงต่างกันเขาก็เลยชีย้เห็นว่าอ๋อในอเหตทธุกขานี่เป็นผลของกรรมที่มีกําลังอ่อนอ่อนอยู่นะว่างั้นเธอมองเห็นนะเขาเลยชีย้เห็นความต่างกันตรงเนี้ย สงสัยมั้ยไม่เคลียร์เรื่องอะไรอ๋อถ้างั้นต้อะไปฟังใหม่กันแล้วกันแนนเคลียร์มั้ยตรงนี้ก็คือสองส่วนส่วนที่เป็นผลของอากุศลกับส่วนที่เป็นผลของกุศล แล้ ว, วมองเห็นไหมเห็นความต่างกันไหมเวลาให้ทานเวลาไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการเป็นตัวเหล่านี้เวลาเจริญกุศลมากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเวลาจะได้เห็นต้องเห็นอะไรเห็นก็เห็นในสิ่งที่ดีไงเอ้ายกตัวอย่างเช่นนะเวลาเกิดมาแล้วท่านเห็นคนให้ทานเห็นคนรักษาศีลเห็นคนที่ทําสิ่งที่ดีๆทั้งหลายก็แปลว่าอะไร ก็เราสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้มากุศลอเหตุการกรุศลที่บาดแปดก็เกิดขึ้นทําหน้าทีเา่เวลาได้ยินเสียงอ่ะคนบางคนไปอยู่ใกล้โรงฆ่าสัตว์แปลว่าอะไรตื่นขึ้นมาก็ได้เห็นเขาฆ่ากันปืดปดปื ด, ป ด, ปดได้ยินเสียงอะไรได้กลิ่นอะไรได้สัมผัสอะไรอันนั้นใช่ไหมอกุศ ล, ล, ลอกุศลอกุศลที่ปากเกล็ดนี่คือความต่างกันนะอยู่ในคุกเนี้ยหรืออยู่ข้างนอกเนี้ย โอ้อยู่ในสิ่งแวดล้อมตื่นขึ้นมาครอ่าอย่างยกอย่างเช่นทีสามแล้วท่านจะยินเสียงส่วนมนแล้ว<ม>เป็นผลกุศลหรืออกุศลกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลแต่ท่านเครียดแล้วเป็นอะไรแปลว่าอะไรอดีตเหตุผลของดีต่เหตุดีหรือไม่ดีดเหตุดีแต่ปัจจุบันเหตุเนถ้ า, ท, าท่านมานาจการผิดท่านไปคิดชั่วนะคิดชั่วปัจจุบันต่างหากท่านไม่ฉลาดในการคิดต่างหากใช่ไหมล่ะ นี่ก็เรียกไปสร้างอดีตเหตุสร้างมาดีจะตาให้มาอยู่ในสิ่งที่เสียงสวดนม น, นกเอ๋ยแมวเอ๋ยทั้งหลายมันสร้างเหตุมาดีนะมาเห็นผ้ามาเห็นเองมาเห็นลายสวดมนเนี่ยแต่ว่ามันมณติการไม่เป็นไงก็เลยมาสร้างปัจจุบันเหตุผิดเนั้นอยากอยากคิดว่าเห็นดีๆแล้วจะได้กุศลตลอดไปนะถ้าไม่ฉลาดทําโยนีโสมมณติการเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วเริ่มมองเห็นนะอะนะเวลาท่านดีท่านได้ยินเสียงสวดมนตอนนี้ท่านต้องทํำยังไง ต้องลุกขึ้นตื่นเต้นโอ้เครียดเหลือเกินนอนไม่หลับเลยคนละเรื่องอะไรแต่เนี่ยนั้นตรงนี้ก็คือต้องทำความเข้าใจให้ชัดว่าอ๋อแท้ที่จริงมันเป็นการเห็นที่ดีเวลาเวลาเห็นพระเดินมาเนนเดินมาเป็นกุศลจกักรุญญาหรืออกุศลจกักรุญญาเกิดขึ้นแต่พอเห็นขึ้นมาแล้วไม่ชอบใจ แปลว่าเราสร้างเราเราเราไปสร้างปัจจุบ hey, no. okay. ันอ okay. uh ัเหตุไม่ดีแต voilà. ่อดีตเหตุเราสร้างมาดีเฮ้ก็ก็สังเกตอย่างนี้วิธีการแต่ออาเวลาเราเห็นสุนัขเป็นกุศลจักรุญาณเรื่องกุศลจักรุญญาฮะแต่ชอบได้ไหมไม่ทํำไมชอบอ่ะวิปเด็ดเมรัศการไงแล้วได้ยินเสียงสุนัขร้อง เหอไหมแต่จริงๆแล้วเป็นอากุศลโซตะวิญญาณกลิ่นของสุนัขก็เป็นอากุศลคานวิญญาณรถไม่ต้องพูดถึงสัมผัสอะไปสัมผัสขนเขาเป็นไรกุศลกายยาววิญญาณใช่ไหมรับผดถัพพลมดีหรือไม่ดีดีที่ไหนล่ะ เป็นๆนมันเกิดพราขนของเขามันเกิดจากอกุศลหนูสัมผัสไอ้ดินน้ำไปลมขเขาเกิดจากอกุศลกรมมชีวิตของเขาอ่ะเวลาไปสัมผัสเขาเลกสัม ผ, สผัสผลของขาอากุศลไม่ต้องพูดเราว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ว่าอากุศลมันเกิดอกุศลกายวิญญาณมันเกิด ม, มันมันรับสัมผัสที่ไม่ดีแต่เราชอบเป็นโลภะ ใช่ไหมเราทําให้กุศลเกิดได้ไหมได้ทําบาปเกิดก็ได้ทํากุศลเกิดก็ได้เนี่ยเนี่ยมันคือความต่างกันเป็นอย่างนี้เริ่มเห็นยังนี่ก็เรื่อการทําความเข้าใจในเรื่องของอหิยตุกะนะทั้งดีได้ทั้งไม่ดีทั้งหลายเลยนี้เป็นต้นเหล่านี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละอเหิยตุกะกุศลวิปากจิตแปดเป็นจิตที่เป็นผลของกุศลกรรมหมายความว่า กุศลกรรมอันเป็นกรรมฝ่ายดีคือบุญที่ได้กระทําไปแล้วในอดีตย่อมจะไม่สูญหายไปไหนเช่นเดียวกันจะคอยโอกาสที่จะสนองให้ได้รับผลเป็นอเหตุตุกะกุศลรรวิปากจิต8ดดวงกล่าวคือถ้ากุศลกรรมที่ได้ทําไว้แล้วในอดีตนั้นมีกําลังอ่อนคือเป็นกุศลกรรมชนิดปาดชนิดปาลบุลเป็นมูลเต็มปาบลบุญเป็นมูลเต็มหรืออ๋อเป็นมูลเดิม หรือกุศลละก ร, รมชนิดที่มีอากุศลตามเป็นบริวารหรือกุศลชาวนะดวงที่หนึ่งในปัจจุบันภพนี้ย่อมจะมีกำลังในการให้ผลอ่อนเป็นอาเหตุกะกุศลวิปากจิต8มีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสที่ดีเป็นต้นผลของกุศลกรรมที่มีกำลังอ่อนนี้ย่อมให้จิตรับรู้โดยความเป็นอเหตุกะ กุศลวิบากจิตคือเป็นจิตที่รับรู้ผลในทางดีมีอยู่แปดดวงเข้าใจคำนี้ไหมคือท่านต้องการชี้เห็นว่าจริงๆแล้ววิบากที่ได้ในไอเหตุการ์กุศลเนี่ยเป็นวิบากที่อ่อนมันไม่ได้แข็งแรงอะไรหรอกไม่ใช่เป็นวิบากที่ทำมาอย่างเลิศเลออะไรเลย เพราะมันเป็นกรรมที่ทำมาโดยชนิดที่เป็นกุศลที่ไม่ได้มีกำลังแข็งแรงใดๆถ้าเป็นกุศลที่มีกำลังแข็งแรงมากๆมันจะไปให้ผลเป็นมหาวิบากมันไม่ได้ให้ผลที่เป็นอเหตุหทุกกานะเพราะว่ามันเป็นอเหตุุกก า, างไงมันก็เลยการทำกรรมที่มันไม่ค่อยประกอบด้วยเหตุไม่ได้มีความไม่โลภความไม่โกรธหรือปัญญา ให้เกิดหลอกมันเป็นกุศลที่มันอ่อนแอมันก็เลยผลักมาให้ผลในการเห็ น, นการได้ยินเสียว่างั้นเอต้องการชี ย, ยงนั้นแต่ที่มันให้ผลตัวเต็มๆเลยก็คือ น, น, นู่นน่มหอปากแปดน่ะเต็มๆเลยนะว่างั้นเอการกสัมผัสถ้าว่าพระพระราชาได้สัมแกว้วมาแกว้วเห็นงแกว้แกวมาแกว้วสัมผัสงแก้วมาแก้วที่เกิดจญญากมีอย่างเดนะครับก็เป็นก็เป็นเหตุกกาเหมือนกัน ก็ผลอ่อนๆเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความแข็งมันมีความมีกําลังมันอยู่ก็เมือ่อตถารมนะเกิดขึ้นรับไอต้ตถารมนะก็ดีว่ิมหาวิบาคก็ดีเช่นยกตัวยอย่างเช่นเวลาทํากุศลแล้วตัวกุศลนั้นนําปฏิสนที่เลยนําปฏิสนธิทําให้คนเป็นเกิดมาด้วยความไม่โลภไม่โกรธมีปัญญามาในขณะเกิดเลยเนี่เป็นปฏิสันที่เป็นพลังจิตเกิดขึ้นรักษาองค์แห่งพบเป็นตัวรักษากระแสชีวิตของท่านบุญนั้นตลอดอัตภาพนั้นเลย กลายเป็นคนมีพื้นฐานดีมีปัญญาดีมาแต่กําเนิดเลยตัวเนี้ยไม่เกี่ยวกับการเห็นการได้ยิน <c oughs> ใช่ไหมไอ้ตัวนี้เปพื้นฐานสุดๆแหละคนนี้เขาเรียกว่ามาดีอ่ะมาดีปัจจุบันใเหตนุนี่ไม่ต้องสั่งสมอะไรมากฟังอะไรปุ๊บเข้าใจอะไรปุ๊บเข้าใจมากพวกนี้ฉลาดมากเอาอย่างเช่นเน่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยในชาติสุดท้ายเนี่ยลองสังเกตตัวทีนั่นนั่นแหละนั่นแหละ ก็เดินไปหาอาราลดาบอุตกาดาบทเนี่ยทุตกาดาบทเรามาบทเนี่ยอุตกาดาบทบอกว่าโอ้เนี่ยตนเองได้สมาบัดเจ็ดเองเนี่ยสมาบัตแ8เนี่ยอาจารย์เคยได้มาตายไปแล้วมีหลักการไว้ก็ถามในอาจารย์บอกว่าไงเนี่ยอาจารย์บอกอย่างนี้ปุ๊บพอสิ้นคําของท่านผู้นั้นปุ๊บอ๋อท่านทําให้เกิดขึ้นได้เดี๋ยวนั้นเลยทําเสร็จปุ๊บก็กลับมาสอนอุตกาดาบททาอย่างนี้เนี่ยก็ได้ทันทีอย่างนี้เป็นต้นคนที่เห็นปุ๊บเราเข้าใจทันทีเนี่ยแปลว่าอะไร เขตในดิบแข็งแรงจัดนั่นนะ ก, กลุ่มนั้นนะ ก, กลุ่มพวกหมหายบากไม่ใช่เหตุกุกรรมเพียงแค่ผลเบาๆงี้แค่เห็นแค่ได้ยินแค่ได้กลิ่นแค่นี้เนียมันไม่ได้ผลอะไรลึกซึ้งอะไรหรอกเป็นผลเบาๆมันมีอารมณ์มีอารมณ์เป็นใหญ่แต่จิตเขาไม่ได้แข็งแรงอะไรเลยเป็นเหตุกตตุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุต้องอาศัยเหตุปจัจดดดดุุุออุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ อาศัยตาดีเงี้ยต้องมีจ้กผู้ประสาทต้องมีรูปอารมณ์ต้องมีแสงสว่างต้องมีมนสิการเนี่ยเขาเกิดขึ้นมาแวบเดียวก็ดับไปแค่นี้เองมันเป็นผลเล็กๆ น, น้อยๆอ่ะใช่ก็คือตัวที่มันถ้ามันทํามันทําทําเหตุมาที่มีกําลังทั้งหลายมันก็ให้ผลเป็นเป็นเป็นผวังหรือเป็นตาธรรมนัรับอารมณ์ต่ออย่ากชาวหน้าเลยอ่ะเป็นผวังกับจิตในการเสวยรสของอารมณ์นั้นได้จริงๆเลยเช่น เออมันไม่ใช่อย่างยกตัวอ ย, อย่างเช่นว่ามาอยู่ในตระกูลเศรษฐีจริงได้เห็นได้ยินได้กินลิ้มรสสัมผัสโอเคถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันก็คือเป็นคนมีปัญญาด้วยเป็นคนมีพื้นฐานดีสุดๆเลยอย่างนี้เป็นต้นน่่ความหมายของเออนี่วิกิโอเคนะนี่เข้าใจนะนี่ยบตัววิธีอะไรเนี่ยนนี่นีนี่นตาทานำนะเห็นอยังเนี่ย เนะี่ยถ้ามันให้ผลจริงๆมันจะไปให้ผลนั่นแหละหมหยบากแล้วเป็นผวังอ่ะเป็นผวังอ่ะอ่าเห็นไหมผวังไอตัวผวังเออเนี่ะตีแต่ผวังผวังก็จะละนะผวังกุปเขีทานนั่นแหละนั่นะแหละหาการให้ผลเต็มๆครับแต่อย่าลืมนะในสิบดวงนั้นมีเหตุุ ก, กาซะสอง <c oughs> อันนั้นก็ไม่ดีผลไม่ค่อยผลไม่ค่อยได้เรื่องอ่ะพวกบ้าใบาบอดหนวกักบพวกอบายอะ่ะ ใช่ก็มีอุเบกขาสันติรณ้วนะอคุสนิบาคหนึ่งอุเบกขาสันติสองอะเห็นไหมอุเบกขาสันติแล้ะจิตสองอุเบกขาสันติแล้นะโน่นน่ยกลับไปดูในวิถีจิตจะรู้อุเบกขาที่เป็นผลของอกุศนอันนั้นนำปฏิสนธิในอบายภูมิ4เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนั่น ส่วนอุเบกขาสันเตรนะนาุศลหนึ่งปฏิสนธิที่เป็นมนุษย์หรือเทวดาบ้าบใบบอดหนวกไอ้พวกนี้ไม่ดีไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาละเป็นผลของอหิทตุกกาจริงแต่แม้เป็นอเหิทุกกาที่ไม่ไม่ฉลาดเลยอยากไหมอยากเกิดแบบไม่มีเหตุไหมก็ไปเป็นเด็กพิการซ้ำซ้อนไงเคยไปเห็นไหมเคยเคยเห็นไหมเด็กพิการซ้ำซ้อนนะโอ้ต้องพาหนูไปดูอ บ, บอ่อยจะได้ทําเออจะบอกวิธีทํากรรมได้ว่าจะไปเกิดอย่างนั้นทําไง นี่นายเข้าใจแล้วนะอ้าวต่อไปอ่านต่ออ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วส่วนมีกำลังมากให้ให้ให้ผลเป็นเศษทุกใช่ถ้าส่วนมีกลังน้อยก็ก็ถูกต้องแล้วเมื่อกี้อธิบายไปแล้วอันไหนจะให้ผลเป็นอเหธุกกาอันไหนจะให้ผลเป็นเศษทุกกาเข้าจ<ม>แล้วอะไรต่อแต่เนี้ยไม่มีอะไรแล้วแต่เนี้ย ก็คือการเห็นการได้ยินทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นอา้าวนี่ถึงไหนแล้ ว, วทิเวทนาคืออะไรเอาอ่านเลยอ่านอ่านจากทั้งหมดมาเลยจะได้เข้าใจอ่ะมาจากอันแรกก่อนดีคืออย่างนี้เขาต้องการอยากบอกว่าจริงๆแล้วเนะี่ยที่เรียกว่าจิตเนี่ยจริงๆก็คือจิตนั่นแหละทําไมจึงเรียกจากขุย ญ, ญาณนะจิตทําไมจึงเรียกจากขุย ญ, ญาณจิตใช่ไหม ทำไมเรียกกันเยอะแยะหมดแล้วเรื่องจักขูวิญญาณจิตโสตวิญญาณจิตคารณวิญญาณจิตชิวหาวิญญาณจิตกายวิญญาณจิตสัมปติชนะจิตใช่ไหมจิตสันติวิญณจิตวัฏฐวิญญาณจิตเห็นไหมเรียกไม่เหมือนกันเหตุผลที่เรียกไม่เหมือนกันเพราะอาศัยเรียกชื่อไปตามทวารบ้างเอาทวารมาเป็นเหตุแห่งการเรียกชื่อบ้างเอาอารมณ์เป็นเหตุแห่งการเรียกชื่อบ้างเอาวัตถุเป็นเหตุแห่งการเรียกชื่อบ้างเช่น จิตใดอาศัยตาเกิดขึ้นแล้วทากิตในการเห็นจิตนั้นก็เลยเรียกว่าจักขุญญาณจิตใช่ไหมก็คือจิตนั่นแหละจิตดวงเดียวนี่แหละทั้งหมดเน่ยจิตจริงๆแยกแปก้าร้อยบเอดแท้จริงก็คือจิตดวงเดียวนะแต่จิตนั้นไปทําหน้าที่อะไรก็เลยเรียกชื่อเขาไปตามหน้าที่นั้นๆถ้าเขาไปทําหน้าที่เห็นก็เรียกแต่ในที่นี้ไปเรียกจักขูจิตไง แต่จริงๆก็คือใส่วิญญาณเข้าไปก็เลยเรียกว่าจากคุณญาณจิตพราะไปทําหน้าที่เห็นถ้าจิตใดไปทําหน้าที่เห็นแต่ไปอาศัยทางโสตทวารเกิดขึ้นใช่ไหมรับเสียงก็เลยเรียกว่าโสตวิญญาณจิตถ้าจิตใดไปทําหน้าที่ในการรู้กินแต่ไปเกิดในคานทวารจิตนั้นก็เลยเรียกว่าในพระสูตรเนี้ถ้าเราเชื่อมโยงไปในพระสูตรในพระสูตรตันติปิฎกมีอยู่สูตรหนึ่งที่พระญาบอกว่า ไฟเนี่ยถ้าไฟที่เรียกไฟเนี่ยไฟอะไรถ้าไฟนั้นอาศัยไม้ฟางเกิดขึ้นก็เรียกไฟฟางใช่ไหมก็คือไฟนั่นแหละมันไปไหม้ฟางก็เรียกไฟฟางถ้าไหม้ขอนไม้ก็เรียกไฟขอนไม้ถ้าไหม้ขี้วัวก็ไหม้ไฟของขี้วัวไฟแกรบเนี้ยก็เรียกไปตามชื่อของสิ่งของนั้นๆแม้ชันใดเวลาเรียกชื่อพระเจ้าก็อาศัยตรงนี้แหละ อาศัยว่าจิตนั้นอาศัยตาเกิดขึ้นเขาเรียกจักขูวิญญาณจิตไปเสียะจะได้เข้าใจแท้จริงก็คือจิตใช่ไหมนี่มาทํากิจในทางทวารตาและถ้าไปทํากิจเห็นด้วยก็เลยทรงบัญญัติว่ามีจักขูวิญญาณจิตนะแต่ถ้ามาทําในทวารโผลไปรับเสียงนี่เกิดในโสลทวานนี่ก็เรียกเสลวิญญาณจิตเอามาทางทวารจมูกล่ะเรียกชื่อยงไงก็เรียกไปชื่อตามทวานานั้นคานวิญญาณจิตทางลิ้งก็เรียกชิวหาวิญญาณจิตทางกายก็เรียกกายวิญญาณจิต แต่ถ้าสัมปติชนะทำไมไม่มีวิญญาณอยู่ด้วยเพราะอะไรและสันติราณาไม่เรียกวิญญาณเพราะเพราะดังที่ได้กล่าวจากวิญญาณเป็นต้นบัญญัติขึ้นตามอาศัยทวารวัตถุซึ่งเป็นชื่อของรลปธรรมเป็นหลักเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าใจผิดไงส่วนสัมปติชนะสันติราณาเนี่ยบัญญัติโดยอาศัยอะไรอาศัยการทาหน้าที่เขาโดยตรงมองเห็นหรือยังมองเห็นไหม เช่นสัมปติชนะเขาทำหน้าที่รับอารมณ์ก็เลยเรียกสัมปติชนะจิตไม่เรียกวิญญาณเลยเขาไปทำที่สันติระนาจิตทำที่ไต่สว น, นอารมณ์อ้าวเรียกสันติระนจิตวอทำทัเท ว, ทททวทนจิตเนี่ยทำที่ตัดสินอารมณ์เรียกวอทวนาไปเลยเขาจยังไม่เรียกว่าวิญญาณไม่ใส่คำว่าวิญญาณเข้าไปเริ่มมองเห็นชัดไหมเอ า, อางี้เวลาท่านเนี่ยท่านไปทำหน้าที่เพญญญื่พอให้เรารู้ไง บางบางทีต้องอาศัยทาวารไปที่ ท, ที่ที่ทำงานของเขาไม่ต้องอาศัยทาวารเลยอะไร อ, อาศัยเขาอาศัยจากขุทวานนี่แหละจากขุทวารทําหน้าที่นั่นน่ะแต่เขาไม่ได้บัญญัติไปตามทาวารบัญญัติไปตามหน้าที่เขาทําหน้าที่อะไรเลยแต่พวกพวกทางทาวารตาเนี่ยให้มันเชื่อมโยงกับตาจากกุญญาณเลยมีคําว่าจากขู่อยู่ด้วย จิตเห็นหพราั้นเถอะเพื่อจะได้ให้เกิดความเข้าใจเห็นั้ยว่าจริงๆแท้ที่จริงก็คือจิตนั่นแหละก็คือวิญญาณขันนั่นแหละแต่เวลาเรียกชื่อก็ต้องเรียกตามกิตบ้างการตามทวารบ้างตามอารมณ์บ้างตามวัตถุบ้างตามสถานที่ที่เขาไปทำงานนั่นบ้างทั้งหมดเหล่านี้เราจะได้เกิดความเข้าใจว่าจิตแต่และประเภทแต่และประเภทเนี่ยเขาเรียกว่าจิตอนิยามนะ เขาเป็นของเขาอย่างนี้เป็นของเขาอย่างนี้ก็ทําทหน้าที่อย่างนี้แต่พระเจ้าเนี่ยชานฉลาดมากนะชานฉลาดมากโ อ, โอพระมา